เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราคนอื่นสร้างให้เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยอาศัยการที่นําให้ข้อมูลเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวเราเองด้วยเหมือนกันช่วยกันในชีวิตของเรานี่ให้มี กำลังร่วมหลายๆอย่างใกนการเกิดความดีเกิดความสติปัญญานองโอเจ้าเคยสอนหล่าสาวโบกทั้งหลายสอนพระมหากจัจจปะกะจัจจปะเอ้ยเธอจังบองอบรมพึกธุผู้หนุ่ม เขาลบพิษูผู้หนุ่มผู้ปานกลางผู้เท่าเธอจังมีสติไปในกายเธอจึงอะไรเธอจังมีสติภายในกายเธอจงเอาอย่างโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอน พระมาระจับปะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระมากรจัปะเป็นเรื่องของเราด้วยมองอะไรให้มันสดชื่นให้มันลื่นลื่นในการเกิดสติสจ่มชัญยะสอนพะระขีมานนเรื่องพระขีมานุนป่าพาดนัก พระเจ้าบอกสูตรฮิมมอนสูตรให้าอานอนท์ไปแสดงให้ฮิมมอนน์ฟังอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยรูปไม้เที่ยงรูปเป็นของเราไม้เวทนาเป็นของเราไม้สัญญาของเราไม้สังขารของเราไม้วิญญาณของเราไ ม, าาไม่จะให้เป็นจากนี้มันเป็นไปได้ไหมส่วนี้ส่วก็ ที้มานนท์ได้ฟังสูตรนี้จากพระอนุนที่ผู้เจ้ามอบหมายให้ไปสอนไปช่วยหายอาพาธเลยลางทีการมองเนะี่ยเป็นพลังทำมันยิ่งใหญ่ด้วยอะไรต้องมองอะไแย่ดีๆม่แต่มีเมตตาก็นา่าอุตยาเไปคขา ใช้กายใช้ใจเราให้โชค อ, อยู่โดยโชคมีร่างกายมีขามีแขนยืนเดินนั่งนอนพอยืนได้ก็ยืนพอเดินได้ก็เดินพอนั่งได้ก็นั่งหรือพอวิ่งได้กว็วิ่งเช่าหลวงพ่อก็วิ่งตั้งแต่ตีสามพอเลยเหนื่อย ไ, ไปเสียงเสียงก็ไม่ค่อยเสียงแขบงก็เลย อพอวิ่งวิ่งแบบคนเฉีนนะวิ่งช็อป ช, ช, ช, ช ๆ, ๆ, ๆอปช็อปช็อปกันเฉฉียนเถอะนี่สร้างสิ่งแวดล้อมเหมือนพืชพันธ์ต่างๆเมื่อมันได้สิ่งแวดล้อมดีมันก็เจริญเติบโตสติปัญญาของเราก็เหมือนกันถ้าเราให้สิ่งแวดล้อมมันดีมันองอก ง, งามได้ไหว <S <S ถ้ามั น, หมนแห้งหงเยียวสิ่แวดล้อมไม่ดี มันก็ไม่งอกไม่งามแต่พิเจ้าจึงสอนว่าวันทางคือมรรคีองค์แปดมรรคีองค์แปดคือสิ่งแวดลม้มไม่ได้ไปหาที่ใดหาจากเรานะคิดชอบพูดชอบทำชอบต้องใจชอบตั้งสติชอบการงานชอบราหลิชอบอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นทุกเวล า, าทีก็ยังดีไม่เจ เราอยู่ร่วมกันอะไรที่มันจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันเช่นอาหารกัรฉันที่ลงทานเน่ยมักจะมีกลิ่นทอดๆกันเขาก็ห้ามนะการทอดนะน้ำมันที่มาทอดแล้วทอดอีกเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีมันเป็นพิษเป็นภัยต้มมาดีที่สุดใช่ไหม <laughs> ต้มเอาแบบลาวหลาว่างแจงเลาว่างมีปลาแห้งสักตัวเดียว่าเจะกันเป็นขิ้นยัดเล็กๆใส่หม้อต้มใส่ผักลงไปอ่าผักก็ผักธรรมดาธรรมดาะอะไรที่มันหายง่ายอันนี้มันมีแต่ปรุงแต่งน้ำก็น้ำขวดแต่ทำไมนี่มันลืมลืมมรดกชีวิตของ ความไม่จริงใบมะยมใบมะตูมผักสดเยอะรั่ววัดเราก็ขอบเสะก็มีผูกไว้แใบมาตวมผูกไว้มันขึ้นสูงเราจูโจมผวกหน้ากติคนหมูเนี่ยหลงตาเป็นคนผูกไว้ว่าจะไว้กินเป็นผักนี่ก็สูงออกม่ไดที่ผูกใบอยู่หน้ากติจานทร์สงสินก็ยังไม่งาม เนี่ยเป็นผักขึ้นแบบน้านที่มันไม่ต้องมีอะไรมากมายอะไรก็ตามสู่ธรรมชาติ ไ, ได้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่อย่าให้เพี้ยนไปปรงๆต่งแต่งเวลาไหนไหนก็ตามนอกจากเราปรลอบความเพียนมีสติถ้าจะมองอะไรก็มองแบบหายตัวอย่ามองแบบ ตัวตนหายตัวงองที่มันไม่เป็นอะไรหายตัวมันยั่งยืนอันดันเป็นรักเป็นชังเป็นสุขเป็นทุกข์อ๋อเอาสิ่งที่ชอบใจชอบจากนั้นชอบจากนีน้ไม่ชอบจากนั้นไม่ชอบจากนี้นเป็นบวกเป็นลบุกมันมันไม่ใช่อยู่โดยชอบเป็นแบบ เป็นแบบจรจัดสุขสนชีวิตสุขสนของที่ชอบเกิดไม่ชอบของที่ไม่ชอบเกิดชอบขึ้นมาให้มันข้ามพ้นจากลักษณะนี้ไปได้มองแบบมีเนวร่วมกับการมีสติถ้าเราไม่มีสิ่งไวดลอมให้สติสติก็งอกงามไปยาง เราะันเราูกข้าวปูกต้นไม้ถ้าน้าไม่ดีดินไม่ดีก็งอกงามได้ย า, ากเราจึงพยายามหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลังร่วมลหลายๆอย่างเกี่ยวกับารใช้ชีวิตของพวกเราอาศัยกันและกันให้ความบูรุณให้ความซึ่งพาอาศัยกันได้แม้แต่พวกเราอาศัยกันแล้วกับต้นา ก, ากไม้ อพอที่ช่วยก็ช่วยกันไปอะไรก็ไม่ดีไม่งามหัดเป็นนักปตลพัฒน า, ฒนาอนุรักษ์ว่าช่วดูแล ร, รักษาสิ่งนน่นสิ่งนี้ว่าให้มีน้ําใจอย่าเหงดแท้งน้ําใจเห็นเถา้าเมลยดมันพันต้นไม้เล็กอเอาออกพวกก็ดีมันก็จะขึ้นยากบางทีมันโกงลงไปจริงเถา้าเมล็ดมันพันเรา เดินไปเห็นต้นไม้มันแขวงแขวงกับม้ทางโอ้ที่จะเอาอะไระให้มันออกโดยที่ไม่ต้องตัดให้เ ป, เป็นอุโมงค์ไปเลยก็ยิ่งดีเพราะชีวิตสร้างสรรค์ลอยมือลอยเท้าลอยความคิดของเราที่มันเกิดจากการทําดีมันก็มีดีไปเรื่อยๆไปคนดีอยู่ท่ไหนคนดีอยู่ที่เรา ดินดีน้ําดีป่าดีอากาศดีก็อยู่ที่เราไม่มีส่วนร่วมกับธรรมชาติให้มากมากอย่ามอบไมใ่ใครที่ใดอย่าไปทําจิตกรรมเฉยๆจิตกรรมนี่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์เราต้องท่องไปเป็นนักการทาพระนัก ป, ปฏิบัตินี้ก็กระทําจริงจริงการใช้ชีวิตเรากระทําดีตลอดเวลาแม้แต่นอนก็ต้องทําดี ไอ้ตัวเวลานอ น, น่ ะ, ะเวลานอนเนี่เย่อหยิมากเราไม่มีอะไรหรอกแต่บางคนไม่ได้เวลานอนเนี่ยมักจะยุ่งๆกับการนอนเอาเรื่องมาคบคิด ล, ง ล, ง ล, ง ล, งลองนนนนนี่ไห้ให้เหยื่อให้รสชาติของ อ, อดีตรสชาติของอนาคตทึ่งทำอะไรไม่ได้นะปัจจุบันที่นอนอยู่นี่ไม่รู้อะไร เลยไม่ค่อยขนต้นแดงเวลานอนเวลาตื่นก็เหมือนกันนะเอาความรู้สึกตัวยิม้ยมแย้มแจ่มใสพาให้ตื่นเอาความรู้สึกตัวยิม้ยมแย้มแจ่ใมใสคนอยปล่อยความวางพาให้หลับนี่ก็สิ่งเวล่อมือนกันนั้นก็ไม่ยากการรู้ทำเนี่ยไม่ยากถ้าเราออยู่โดยชอบถ้ามันเกิดลหลายๆอยา่า <c> ง <oughs> แต่ถ้าเราทำสิ่งเว้รอบมื้ตัวเราไม่ดีเนี่ยมันก็ยอกเราจึงพยา ย, ย, า, ยามทุกวิธีทางไม่ใช่จะมายกมือสร้างจังหวะเดินจังกรมนั่ ง, ลล ง, งแล้วกดหลังงอแวะออกจากเวลาปฏิบัติธรรมเราปล่อยวางตัวเองเลอะเถอะไปไม่ได้เราต้องเก็บข้อมูลให้ข้อมูลอยู่เสมอเก็บ ช่วยโอกาสช่วยโอกาสไม่ใช่หาโอกาสปฏิบัติธรรมอะไรนิดหน่อยก็ดีช่วยช่างสวัดหมูช่วยหมูแลบลีนโบราณท่านว่าแล้วก็ต้องฝึกผนตนเองทุกๆ ก, กรณีการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆถ้าเราใช้มันถ้าเราไม่ใช้มันก็สูญเปล่า ได้ประโยชน์จากความชั่วควาผิดความทุกข์ความลักความจงจเยอะแยะความทุกข์มาให้เป็นพระเจ้าได้ความลักมาให้เป็นพระเจ้าได้ขนาดเดียวที่ที่เราได้บรรลุธรรมมันมาเป็นประโยชน์อย่างคู่พระเจ้าของเราสีทัตถานเนี่ยความรักให้เป็นพทะเจ้าลักพิมพ์พาลักประชาชนลักไู้ให้าบริวาร ขอรับผิดชอบโอบความลักพาไปนะไม่ให้เบื่อหน่ายบางคนคุ้มเบื่อหน่ยายพระให้เกิดเป็นพุทธะขึ้นมาบางคนสุกเนอะสุกหนอะทำไมเกิดพรุทธเจ้าทําบางคนทุกข์เนทุกข์เนอทําเป็นพุทธเจ้าทำไมเป็นการบรรลุ ธ, ธรรมได้นั่นนี่เอาวันเอาประโยชน์มันใช้ประโยชน์มันมันหลงใช้ประโยชน์ก้มหลง มันให้บทเรียนดีดีเวลามันลงนะเวลามันทุกก็ได้บทเรียนดีดีแต่เราไม่ไม่าไม่ช่วยโอกาสเพิมพิษในบทเรียนเพิ่มถูกก็ได้บทเรียนนักศึกษาต้องต้องศึกษาท้าหลงอะไรเกิดขึ้นทะาหลงรู้แล้วผู้สติอะรู้แล้วคือสติ ถ้าไม่รู้ไม่มีสติสุข ก, ก็สุขไปทุกข์ก็ทุกข์ไปไม่รู้แล้วไม่กระดิกหัไม่กืนความรู้สึกเข้าไปในชีวิตของเรากืนเอาความผิดกืนเอาความถูกกืนเอาความแล้วความชังกืนเอาความชอบไม่ชอบอะไรเกิดขึ้นมากมายพระสูตรก็สอนไว้แล้วกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์ปุกลตตัวตเล า, เามันชอบ กายโอ้เราเป็นโศกเราเป็นทุกข์เราปวดขาเราหิวเราล้นเราหนาวไม่ใช่ไม่ใช่มองแบบนักปฏิบัติหายจากวักายไม่ใช่จัดบุคคลตนตนเราเขานี่ทางทางทแท้ๆทางไปสู่พุท ธ, ธะเวทนาที่มันจุปปกุณฑุกโอ้จักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตนตนเราเขาเพราะเลที่มันเกิดขึ้น่ะเอามาบรรลุทํามเลยเลยเพราะไม่เที่ยงเออ ทุกข์บางอย่างกําหนดรู้เกี่ยวข้องกับมันมากเกินไปไม่ได้ทุกขังทุกข์ังเนี่ยมันหนีไม่ได้กําหนดรู้เป็นปัญญากําหนดรู้โดยการรู้ทุกข์ขังหมายใจเอือ น, น้ำลายพิภูตายืนเดินนั่งนอน อ, อันนี้มัเป็นทุกขังทุกเวทนาที่มันไม่ไม่อยู่ดิ้งเวทนามันไหลอยู่เรื่อย ต้องอธิบุตรต่างๆเพื่อเพื่ อ, อบรรเทาเวทนาไม่มีใครแช้ได้หิวก็ชินเข้าหิวเป็นเวทนาชินเข้าเป็นการบรรเทาไม่ใช่แช้ทุกอย่างนี้รักษาไม่ได้เป็นปัญญาแต่บางคนเป็นทุกเป็นสุขอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตอนทีหิวเข้าเป็นทุกอิ่มเข้าเป็นสุขไม่ใช่เป็นการบรรเทา เป็นปัญญาเป็นปัญญาหายใจเข้าหายใจออกเป็นปัญญาหิบตาเกิดน้ำลายยืนดนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อไนไหวนั้นเป็นการวันเถ่าแต่ทุกข์บางอย่างนา่ะแยกย่อยแยกย่อยออกสิกขาคือศีลถลงุงเกินรวมหลงตหลงออกเมื่เกิดเหตุปจัจจัย ได้เหตุเกิดที่เหตุดับที่เหตุได้ได้ถลุงเรียกว่าศิกษาศึกษาคือได้ได้หลักได้เจนได้คําตอบได้ข้อมูลได้ข้อมูลได้โปรแกรมบันดีๆเหมือนหลงหลงตาเนี่ยใส่หูเนี่ยหาข้อมูลหาโปรแกรมยังไม่ไม่ค่อยถูกต้องบางทีเอามือมาคําหูหรือไง <laughs> อ๋อปรับข้อมูลมันก็ยังไม่ได้มันจําเสียงตัวเองไม่ได้เสียงก็เพี้ยนไปแล้วก็ตามวัเนาะไอเสียงไม่ดีมันไม่ชีดหน่อยเสียงก็เพี้ยนไปไม่ยิ่งมาหูหนวกก็ยิง่งหาเสียงตัวเองไม่พบไว้พูดที่ที่ที่อาสมมาตาเขาบอกว่าหลวตงตาพูดแหลงกันว่า ตัวเองไม่ได้ยินเสียงเงี้มันกคนอื่นฟังก็มันก็ดล่องใส่ไม่ก็จำเสียงไม่ได้โปรแกรมข้อมูลที่ใช่กับชีวิตเนี่ยต้องให้อภัยกันว่าอย่าอย่าไปถือว่าต้องไหเสื้อเสื้อซาาบางทีก็ผู้เจ้าบอกว่ามีความลบในผู้ท่่มันเป็นนี้แหละคนเจ่อเพาหนุ่มก็เป็นอย่างนี้แหละ เด็กน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละมองไปวันหนึ่งก็มีคนบ้นานายเจมาะจะนิมนต์ไปแสดงธรรมที่วัดป่าบ้านนายแจงเลยพูดกันเราก็พูดเรื่องลูกอ๋อไปทุกเรื่องลูกเขาจะงว่าลูกแต่ก่อนเรก็เป็นเด็กของเขาล่ะอันนี้แม่กับลูกก็เป็นอย่างนี้ มันทํากับคนอื่นไม่ได้มันทํากับแม่มันเพราะนั่นการแม่กับลูกนะก็ทําหน้าที่ของเราไปไมจาจ้างมาเป็นสุขเป็นทุกข์กับลูกห้องเราด้วยเราก็เคยเป็นเด็กน้อยเหมือนกันเด็กน้อยทุกวันนี้เหมือนเราเป็นเด็กน้อยใช่ไหมก่อนก็ต้องยอมรับอ้ามันเป็นเช่น น, นั้นเราก็ไป ต, ต, ต้องทุกข์ไปต้องสุขกับลูกไปต้องทุกข์กับลูก ของคนหนุ่กคนสาวเหมือนกันเอ้เขาก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะเปรียบกับเราเราก็ไม่เป็นเหมือนเขาโปรปงโป ง, ว, งวางไปอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมบางทีแม้มันเป็นยังไง เ, ร, เราก็ตอยู่ในตัวเราเราเราประกอบกันได้ในสิ่งแวดลอมไม่ดีไม่ใช่ตกโบ้แรง้งเป็นแรง้งตกงูกาเป็นกาเขาพให้สุกก็สุกเขพายทุ ก, ก็ทุกไม่ใช่อย่างนั้น นักปฏิบัติธรรมต้องมื่นคงตลอดเวลาเหมือนอว่าเหนเหมือนคำพูดว่ามมยจันไม่จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอสดินไม่ก้าวสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม่จะเข้าสู่เหิบยนก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้ว แม้จะประสบทุกข์เรียนทายก็ไม่ทิ้งทำเพื่อไม่ทิ้งนั่นมีหลักอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรถูกต้องไปผัวความไม่มีไม่เป็นอะไรถ้ามีเป็นอะไรมันไม่ใช่มันมีมันมีเวลามันกำหนดเวลาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความรักความชังก็ดีมันมีการเวลาของเขา มันไม่กี่หลังยั่งยืนแตยความไม่เป็นเลยเนี่ยเวลายาวที่จุดอมพันตะคิตของเราเนี่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งตรงนี้เราทำได้ตัวกาสเวลาไหนไหนก็ทำได้จึงเพียนทยายผูกขนตนเดงไม่ใช่คํำเทียดเป็นการสนุกสนุกนะการฝึกเรานะ มันจะโน้วันยิ้มเหเวลามันทุกข์มันมีความยิ้มยิ้มเหน่อยเวลามันโกรธมันมีความยิ้มยิ้มเวลามันรอดมันหนาวมีความยิ้มวิ้มไม่ใช่ไปทุกข์มันเหตุแก้งชีวิตเรามันเป็นแค่นั่นเองเด้อถ้าจะมองแบบปัญญาเพีหน่อยก็ขอบคุณมันนี่มันรู้อลไรได้รว่าธาตุรู้วิญญาณธาตุเนี่ย มันเป็นธาตุลู่อะไรได้นี่วัตถวิธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ําวายุธาตุคือธาตุลมเตโชธาตุคือธาตุไฟอากาศธาตุคือช่องว่างในในกายวิญญาณธาตุคือมันลู่อะไรได้มันเป็นของเขามาเชื่อมาเป็นศุกเป็นทุก สูธรรมชาติแบบนี้การปฏิบัติธรรมธรรมชาติแบบนี้มันยิ่งใหญ่า ย, ยาแข่งเพี้ยนไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยายมันเพี้ยนไปมันมีมันหนีธรรมชาติอย่างป่าเหนื อ, อหัวใจเราเนยเวลาฝนตกทาลอยเทาลอยมันก็ม่วอยู่ได้ยินเสียงน้ำไหลตรงไห น, นไม่เหมือนมัวยอน้องก อ, องบึง มันธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างแต่เราจะไปเอาชนะธรรมชาติมันก็ธรรมชาติก็ลงโทษเราต้องเข้าสู่ธรรมชาติในกายเราเนในใจเราในชีวิตของเราเมีแต่ธรรมชาติลงโทษไม่ใช่ธรรมชาติคน พ, พยายามหนีธรรมชาตินี่ไปปุงปุงแต่งแต่งเอาเทคโนโ ล, โลยี เอาเอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็โอ้ยน่ากลัวไวไป ว, วัดชน้ำในเนี่ขาฝังท่อก๊าดมาจากพเทศามาผ่านหน้าวัชน้ำในก๊าดเนี่ยมันอะไรมันก๊าดเลยแหละก๊าดเลย <laughs> ท่อท่ำ ท, ทางน้ำเลยเป็นเป็ น, ปนพิษ เอาอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันโบดีพวกอุปโภคเกินขอบเขตเกินไปใช่มากเกินไปอย่างเวลานี่สารใดมันอุปโภคมากก็มันก็สูดได้มันก็หมดได้ธรรมชาติแนวเห็นปัจจัยหลายๆอย่างเราถนอมถนอยอย่าไปใช้ธรรมชาติในแต่เราเนี่ย อย่าให้ธรรมชาติมันชิ่นเปลืองแม้แต่คิดนี่มันสูญเสียธรรมชาติชิ่นเปลืองพลังงานแล้วโกรธที่หนึ่งก็สูญเสียทุกที่หนึ่งก็สูญเสียสุขที่หนึ่งก็สูญเสียไปธรรมชาติไม่อยู่อยู่ก็ต้องซ่อมใหม่เขาก็ซ่อมใหม่เวลามาโ ก, กรธหายหโกรธได้ธรรมชาติช่วยแต่เรามัค่อยสนใจเรื่องไหนเรามาทุ ก, ก็หายทุกได้เรามัค่อยช่วยตัวเองก็ปล่อยให้เขา อ, อิ่มแล้ว บอให้เขาอิ่มบอให้เขาโทษเขาอิ่มตัวเอาไปเด้แล้วความสุขเอาไปแล้วความทุกข์เอกไปแล้วความรับความจำเอาไปแล้วชืว่อตของเรารับใช้สูญเสียไปเลยแต่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวในะสมงวนสมงวนเรียกว่ารักษารักษากหรือรักษาปฏิบัติธรรมให้เราใช้ชีวิตส่วนนี้ จะมีกีปีกีปีกี่วันกี่นาทีให้ให้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่เวลามาปฏิวัติธรรมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าพฤกษิก า, าอันนั้นก็ถูกต้องแต่ว่าอริจริงๆมันคือชีวิตของเราประจำวันนี้ให้ทําให้มันดีๆอย่าให้มันเพี้ยนไปให้มันเป็นธรรมชาติให้มันลงตัว ชีวิตลงตัวความหลงไม่ใช่ลงตัวความไม่หลงลงตัวกว่าความทุกข์ไม่ใช่ความลงตัวความไม่ทุกข์ลงตัวกว่านี่ใช่อย่างนี้มันสอนเราเราได้ข้อมูลได้ออะไรที่มันดีจากชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะมันชีวิตของเราน่ยมันเปลี่ยนได้จริงๆมันหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้มันทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้นี่ชีวิตเรามันประเสริฐอย่างนี้ ถ้าเราไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ประเสริฐหระอาจจะเป็นทุกข์กว่าสวดเดรัชฉานนะเราจึงฝึกฝนตนเองอาการใช้ชีวิตผู้มีสติเปลี่ยนเอมหลงอะไรเป็นตัวลู่ตัวรู้น่ะมีชีวิตอยู่ชั่วโมงก็ประเสริฐถ้าคนไม่เปลี่ยนตรง น, นี้ชีวิตร้อยวันพันปีก็ไม่ประเสริฐ หลวพ่เทียนมักจะพูดอยู่เสมอโยจะเขาพูดภาษาบาลีโยจะวชิตังไสเวกุสีโตหินิวิละโยเอเกหังคิวตังไสยโย อ, ยอประโตพยัพปังตุปิดถูก็ไม่รู้แล้วกูได้เกิดการในความเพียรต่ำมีชีวิตร้อยปีไม่ประเสริฐเท่ากับปุกคนที่มี ความเพียรมั่นคงแม่มีชีวิตเพียงวันเดียวประเสริฐขัวเพราะนั้นเราเราก็ต้องขักหัดตนเองมันมีค่าตรงนี้ชีวิตเราเน่ยโอ้ยมันไม่มีเวลามันไม่มีการมันเป็นชีวิตลุน่นลุน้นมันได้ชีวิตเนี่ยคือไม่เป็นอะไรเนี่ยได้ชีวิตแล้วถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ชีวิตเราไม่ใช่แล้วเป็นรับใช้ความสุขความทุกข์แล้ว ถ้าเราไม่เป็นอะไรเนี่ยชีวิตของเรามันตรงนี้ให้ให้ได้ชีวิตแบบนี้เอาไว้นี่แหละวิธีที่เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายไม่ใช่ไปกลัวเวลามันเจ็บไปกลัวเวลามันตายความตายยังไม่มาถึงความเจ็บยังไม่ถึงก็กลัวแล้วมันนั่นไม่ใช่ ม, มันไม่มีข้างหน้ามัน <c oughs> มันมีอดีตมันอยู่เดี๋ยวนี้ มันเกิดอะไรเกิด <virt> ร <uel o> ัก <stained> ม <za> ันเกิดแล้วความรักเดี๋ยวก็เจ็เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายมันเกิดอะไรเกิดความสุขเดี๋ยวความสุขมันก็เจ็มันก็เจ็บมันก็ตายมันเกิดความทุกข์ความทุกข์มันก็เจ็บก็เจ็บก็ตายมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราจึงไม่เกิดตรงนี้ นี่คือไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็มีไม่แฉะไม่เจ็บไม่ตายไม่มีใครแฉะมันมีใครเจ็บมันมีใครตายถ้าเรามาลูกตรงนี้เราไม่เป็นละลาไม่เป็นลายเหล้วันั้นคือต้เกิดเจ็บเจบตายจะไปมองถึงรูปนี้เวลาเจ็บก็โอดร้องพอเด่โลงนอนเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่ า, วาถ้าถึงขาั้นจริงมันก็ไม่มีอะไรมันดีจุดด้วยอ๋อ เรื่องนี้ประสบการณ์กับตัวเองฝึกมากับหลวงปู่เทียนสี่สิบกว่าปีมันเป็นทุกชั่วโมงชุกหน่อทีไม่ใช่สี่สิบปีนู้นมันเป็นของชีวิตเรามึงพวกนี้จะเป็นยังไงก็อยู่ตรงนี้เมื่อวานในปีไหนผ่านมาก็อยู่ตรงนี้ได้ที่นะว่าได้ที่ได้ทางมันลงตัวมันไหลที่ชีวิตของเรานาะ ไม่มีใครสอนเราไม่มีใครให้เราได้นอกจากเราฝึกตัวเองเพราะนั้นเราจะคอย อ, อดีต อ, อะไรต่างๆชาติหน้าชาติอดีตแต่ชาติไม่ใช่กามดชชาติพระเจ้าเคยยานเกิดขึ้นขณะที่พระองค์บำมเพน็นโพธิสัตว์บรเพน็นเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะยานเกิดขึ้น อดีตังขจิยานจิตุปจิยานอาสวัคจิยานหรือมันเกนิดอย่างนี้มันเห็นตัวเองน่ะมันอยู่ที่ไหนเมื่อก่อ น, น่ะมันเป็นยังไงมันเคยลักเอาว่าเห็นนะเอาเมื่อก่อนเราเคยลักมันติดมาหรือเนี่ยสิปียี่สปีเมื่มาอยู่ถดีนะก็อดีตตังขจิยานคิดถึงอุิยวงศ์อา จ, จะคิดถึงพิมพาลาโหนคิดถึงอะไรต่างๆเอา เขาก็เคยเคยอยู่ด้วยกันเคยไปอะไรที่ที่จะไงความสุขความทุกข์ังไงก็คิดไว้ธรรมดาของวกเรานั้นแล้ววิญญาณแล้วเคยขึ้นโอ้กลับมาอยู่ปัะจยายนณอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นี่ตั้งที่นี้ไว้ปัจจุบันคือชีวิตจริงไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้คือชีวิตจริงอ่ อ, อยู่ตรงนี้รู้ตัวตรงนี้วางอยู่ดรงนี้ เวลานี้เรานอนเวลานี้เรานั่งเวลานี้เรากิน้นเราฉันเราขับเราทายเราอยู่นี้จิตุปยานอาสาวขยานคือมันทําให้หมดไปได้มันหลงความหลงหมดไปได้เกิดความรู้เวลามันหลงได้สิ้นไปความหลงเกิดความรู้ไปแทนเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติได้พบใหม่นวชีวันได้ชีวิตใหม่ได้นิสัยใหม่ได้ทําอะไรที่มันดีกว่าเก่า นี่มันก็ต้องมีบ้างคนเรานะมีการสำเร็จได้บางเอาสำเร็จจากความเลวร้วายยิ่งดีใหญ่แต่ละความลูปของโกวก็ห ล, ลงยิ่งดีใหญ่นี่ก็คือหน้าที่ของเรามันเห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ไปหาแต่เราม่มีสติมันเราไม่โดงตามันเกิดความหลงขึ้นมาเราก็รู้ได้นี่พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่มัน สอนได้มีได้คนเราก็ทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงเห็นของหลงความละความชัางความุกควงทุกข์ความหมดมุ่งควาคิดตามทุกวานใจผู้ปฏิบัติไม่ใช่เอาหอบเอาความคิดเอาเหตุเอาผลมานี่คือทำเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องไปเชื่อใครมาพิสูจนด้วยกันแล้เราก็มาเป็นเพื่อนกันนอกจากเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนตัวเอง <c oughs> ไม่มีใครเป็นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนตัวเราไม่เป็นหรอ๋อสมควรเจอเวลานะกับพระพ้อเหมกัน